แปดสิบเอ็ดเย็นบัตติวนรุอดีตการหนึ่งยิรในคอลัมน์วนรุเขียนยืนดูบัตเขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ อว ஒ นรுร ட ிดีดมยืนดินอนและเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ ம ற ் ற ு ம อว์นูร์ค อ, อร์ดยืนดินอนอลอ่านปัดิปดิเขาได้อ่านมิตยสารหนึ่งฉ บ, บับอวบนูรெเ்ดிอิด் படித்தான் และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม มัตตุมอว ஒ ลுอร์்ุ க ம ் ப มி த ดิா ள ลหยิบเอดรุตควลดเขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวนอวัลวอร์สิกเกอร์เรตเอดรุตควนดอนเธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นอวัลวอร์ปุตุนด์ช็อกโกแลตเอดรุตควนாอลเขาไม่ซื่อสัตว์ แต่เธอซื้อสัตย์อาวันวิ்วาสมาตระ ன ันอนาลอ வ วันวิสวาสมา ள ล ள วะลาอักยรันดัเขาขี้เกียจแต่เธอขยันอาวันส่งเบียร์ยากยรันดานอนาลอาวันคดีนை ப ் ப ாฟி ய ா க இருந்தாள் เขาจนแต่เธอรวยอ வ ன ் ஏழை ஆனால் அ வ ล் ப ண க ் க ா ர ก เขาไม่มีเงินมีแต่หนี้อาวั ட ம ் பணமில்லை ม, ม่เ ล, ลยா ன ் இருந்தது เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้ายอา ன ு க ் க ுคืออดรศต์ไ ல ่เ ล, ลยดุ ร, ดริศต์ต่ำดอนยืรนรเเขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลว เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจอเขาไม่ ல ีความส ப ் த ி த ா ன ் இ ர ுท் த த ுเขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ சந்தோஷமாக இல்லை சோகமாக இருந்தான் เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตรอวันนัดพวกรอิเลยอ้อนอลนัดพัตระบันโกรยืนดอน